เมื่อกี้นี้อาณาจารย์ทางกายต่อไปถ้าอาณาจารย์ทางวาจาล่ะพิสูุบางรูปในพระาศาสนานี้แม้ไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ไม่ทำความยาเกรงไม่บอกกล่าวภิสูุผู้เทระทั้งหลายกล่าวธรรมไม่ขออนุญาตพระที่มีพรรษา ม, มากก่อนเนี่ยนะกล่าวธรรมเนี่ยเป็นอบัตด้วยนะหรือว่ากล่าวธรรมแก้ปัญหาธรรมสวดปาติโมกหรือว่ายืนพูดบ้างแ่งแขนพูดบ้าง หรือว่าแม้เข้าไปสู่ลําดับเรือนพูดบนเพอ้ออันนี้คนคนละนายแล้วนะถ้าเข้าไปสู่บ้านเรือนก็บนเพ้อกับเด็กหญิงนะนะบนเพ้อกับหญิงหรือเด็กหญิงอย่างนี้ว่านแะน่แม่ผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างหรือมียาคูหรือปไปถึงเออนี่มีข้าวต้มหรือเปล่ามีข้าวสวยหรือเปล่านะปาไปถึง อย่างเงี้ยนะมีของขวนเคี้ยวไหมเนี่ยเช่นมีขนมนไหมมีเค้กมีอะไรก็ว่าไปเรื่อยเน AH <Hay> ี่ยนะชวนเข้าคุยในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอนาจาระทางวาจาแต่ถึงอ่าเป็นไงทํากับข้าวต้มยำทําแกงเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ชวนคุยพวกนี้ไม่ดีสักอย่างอนาจาระแล้ะธรรมานาจารใช้คําว่าอนาจาร์ดูหนักหนาสาหัสอยู่กันนะหรือว่าไปถึงโอ้นี่ยอาตมาจากฉันอะไรจากเดิมอะไรเนี่ยนะ อันนี้ก็อนาจารถึงหรือว่าจักเคี้ยวอะไรบ้างจักฉันอะไรได้บ้างหรือว่าท่านจักให้อะไรแก่อาตมาบ้างไปถึงแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยอนาจารทั้งนั้นแหละดังนี้นี่เรียกว่าอนาจาระทางวาจาก็าบอกว่าส่วนอาจาระเพ่งทราบด้วยอํานาจคําฝ่ายตรงกันข้ามแห่งอนาจาระอาจาระนี่นะตรงกันข้ามนี้ทั้งหมดเรียกว่าอาจาระนี่นะนี่นะคือเขาบอกว่า ดูดำแล้วนะต่างจากดํานั่นแหละขาวกว่านั้นไม่กล่าวถึงเพราะว่ากระดูง่ายอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วที่ฝ่ายดีนะตรงกันข้ามไม่ทําตามนี้ทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าดีละถ้าเป็นอาณาจารย์นี่นะพอเข้าบ้านก็พูดเรียบๆเคียงๆยงในเรื่องปัจจัยสีทั้งหลายเหล่านี้นี่นะฮ ะ, ไไะก็มีเรื่องเยอะใช่ไหมก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีถ้าเรามีอาจารยานี่นะ กพูดน้อยลงเจริญพรใช้ถูกไหมวัจีทุจริตน้อยไปแต่ว่าจีสุดจริตมากขึ้นเพราะจะพูดแต่ละคําก็สรรสาระแล้วนะคัดสรรอะไรที่มันเป็นสาระแก่นสารและเอามากล่าวอะไรคําพูดที่พร่ําทั่วไปว่าไปเรื่อยนี่ก็ไม่มีละเพราะว่าเพอร์เจอร์ก็ไม่ใช่ศีลใช่ไหมเพอร์เจอร์ไม่ใช่ศีลก็อย่างว่าไม่ใช่ทรัพย์ละ ตอนเมื่อไหร่นะจะเห็นว่าพูดคําเพื่อเจอคำหนึ่งโอ้เสียหายเยอะนะยังไงบอกว่าพูดคำเพื่อเจอเนี่ถ้าเห็นว่า1คาํางนี่ร้อยบาทยังเงี้ยนะพูดวันหนึ่งโอ้โหตงสายหมดกันหลายตตังเงี้ยเนาะเมื่อไหร่จะเห็นได้ขนาดนั้นก็แสดงว่าได้ดีไปเยอะแล้วต่อไปนะคำว่าอาจาระ ท, ที่ที่ดีการทําตรงกันข้ามอนาจาร์ที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้ก็เรียกว่าอาจาระ แล้วก็อีกนัยยะหนึ่งอาจาระอีกนัยยะหนึ่งกล่าวว่าภิกษุเป็นผู้มีความเคารพมีความเชื่อฟังถึงพร้อมด้วยเฮเรและโอตตะ ป, ปะนะเขาบอกว่าคําว่ามีความเคารพเนี่ยนะก็คือครุภาพภาวะที่เคารพหรือการทําให้หนักเชื่อว่าความเคารพเป็นเหตุแห่งคุณมีศรัทธาเป็นต้นนะภิกษุที่มีความเคารพเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เหตุแห่งคุณมีศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเป็นต้นนี่นะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าผู้มีความเคารพหรือว่าความรับฟังด้วยความเคาระพะนั้นพิสูจนผู้มีความเคารพนี้ก็เชื่อว่าเป็นอาจารย์อย่างหนึ่งมีความเชื่อฟังถึงพร้อมด้วยหีริและโอตะปะนุ่งเรียบร้อยเนีย่ยนะนุ่งเรียบร้อยบริบูรณ์ตามหลักเสขีย์ธรรมพิงซึ่งเพิ่งทำศึกษาว่าเราจากนุ่มเป็น นุ่งเป็นปริมนทนพึงทำศึกษาว่าเราจักห่มเป็นปริมนทนพึงทำศึกษาว่าเราจกปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้านใ น, นพวกนี้เป็นต้นนี่ยนุ่งเรียบร้อยห่มเรียบร้อยมีการก้าวไปมีการถอยกลับแเรดูเลี้ยวดูคู่แขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสทอดสายตาลงต่ําถึงพร้อมด้วยอิริยาบทรักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและก็รู้จักประมาณในโภชนะ ประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งชาคริยธรรมประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารบความเพียรมีปกติกระทําอย่างเคารพในอภิสมาจาริยศีลมากไปด้วยความเคารพและยำเกรงนี้เรียกว่าอาจาระโออาจาระนี้สมบูรณ์มากนะผู้ใดประพฤติตามนี้เรียกว่าอาจาระจริงๆเลยนะดีมากเลยนับตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่อง คุณสมบัติว่าเป็นคนที่มีความเคารพมีความยำเกรงลักษณะของความเคารพความยำเกรงเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ควรศึกษาเหมือนกับบางแห่งเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสูตรสะพ้ายใหม่เนี่ยนะก็บอกว่าเข้าไปเหมือนกับสะพ้ายใหม่ว่าทําตัวแบบนั้นภิกษุเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าทําตัวแบบนั้นเนี่ยเจริญแน่ที่ดูนะแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทพระกัสสปะเนี่ยนะให้ไปตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าในภิกษุปูนเทระ ปูนมัชชีมะและปูนนวักะให้พระมหากรสปะตั้งจิตไว้อย่างนี้เลยอันนี้เป็นหนึ่งในคําให้บวชพระมหากรสปะเลยไอ้ความเคารพความยำเกรงเนี่ยนับว่ามีความสําคัญมากอ่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการนุ่งการห่มนะเกี่ยวกับอิริยาบดการคู่การแรการเหลียวเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าพระนั่งล็อกแรกล็อกแรกล็อกแร ก, กถามว่าโยมจากจะทําบุญว่ามีอะไรจะทําบุญเลยเอาไหมนะ นั่งสายตาเนี่ยโหยดูอะไรนะก็ไม่รู้เกิดไปบินถบาดไม่ได้สำรวมเลยเนี่ยไปเดินตกท่อ น, นี่จะว่าไงนะคารวาสก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะไม่ค่อยอายหน่อยนะพระเนี่ยเดินไม่สำรวมแล้วไปตกท่อตกน้ําครำมาดําตีเนี่ยคงจะตั้งเวทใจกันหน่าดูเลยเนาะก็เวลาใส่บาตรพระบางรูปหรือเนนบางรูปก็สําำขนาะที่ญาติโยมกำลังใส่ ตาท่านก็ไม่ได้มองที่บาทหรอกครับท่านมองไปไหนก็ไม่รู้ครับเจนามันทำไม่เกิดความรู้สึกบางอย่างเจนพานอันสิกขาบทนี่มีเลยน ะ, ะพระภพรศุเนี่ยนะเวลาเวลารับบาตรเนี่ยต้องต้องดูในบาทเป็นสิกขาบทให้ศึกษาเลยว่าเวลาเขาทำบุญมาเนี่ยต้องดูในบาทแล้วก็ไม่ให้จ้องหน้าคนคนทำบุญด้วยนะเข้ามาให้ทานเนี่ยห้ามมองหน้าเขาในขณะที่รับประค r ในขณะที่เขากําลังตะเคียนเขากาลังใส่บาตรในต้นห้ามดูหน้าเขาโดยที่สุดแม้แต่สามมันเนนปรับอาบัตดเลยนะ ถ, ถ้าเขามักตะเวงเราดื่มหน้าดูหน้าเขาเนี่ยนะเป็นอวบานะัตแหละเพราะฉะนั้นไอ้สายตาทอดลงต่ําเนี่ยก็เป็นกุศลศีลด้วยน ะ, ะหรือว่าถึงพร้อมด้วยอิริยาบทยืนเดินเป็นต้นก็นหน้าเลื่อมใสแต่ก็ไม่ใช่ ไม่มีคุณธรรมอะไรนะคิดว่าโอ้ยในใจของฉันเนี่ยมีอริยะคุณจริงๆแล้วก็จิตเนี่ยเป็นอกุศลทั้งปีนั่นแหละแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยฉันเดินแบบนี้คนก็จะได้เลื่อมใสจะได้ศรัทธาแล้วจะได้คิดว่าฉันนี่มีคุณธรรมเป็นต้นอันนี้มีโทษอีกนะซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปข้างหน้าอีกครั้งนึ่งมันก็ต้องทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทางใจจริงๆนะทำด้วยความสุจริตใจจริงๆไม่ใช่แกล้ง เขาบอกว่ารักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คือคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่6เนี่ยนะสามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งใดใจก็เป็นกุศลได้ทั้งหมดแล้วก็รู้จักประมาณในโภชนะมัตตันยูเนี่ยนะโภชนมัตตันยูรู้ประมาณในโภชนะคาว่ารู้ประมาณในโภชนะก็คือรู้ประมาณโดยประการทั้งปวง อย่างเช่นรู้ประมาณในการสแสวงหาอย่างหนึ่งคําว่ารู้ประมาณในโภชนะเนี่ยนะคำว่าโภชนะหมายถึงปัจจัยสี่นะไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวรู้ประมาณในหนึ่งจีวอนบินทบาทเสนาสะนะยารักษาโรคแต่ว่ายกโภชนะขึ้นเป็นประธานะนะเขบอกว่าในบรรดาปัจจัยสี่เนี่ยยกข้าวมาเป็นประธานใชที่เหลือก็เท่ากับพูดหมดแล้วอย่างยกตัวอย่างนะก็บอกว่า สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอ น, นะบริโภคโภชนาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วตรงนั้น ท, นาท่านอธิบายเลยว่าหมายถึงบริโภคปัจจัยทั้ง4ี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วนั่นเองเพราะนั้นคำว่ารู้จักประมาณในโภชนะก็คือรู้จักประมาณในการสแสวงหาก่อนอย่างแรกสแสวงหานั้นถูกหลักถูกคำถูกวินยัยถูกคําสอนไหมต่อไปก็รู้จักประมาณในการรับเนี่ยนะ รับพอเหมาะพอสมเป็นต้นไหมอ่แล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคซึ่งปัจจัยสี่อย่างที่รู้กันว่าโพชนะเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงบริโภคโพชนะตัวนั้นแปลว่าบริโภคนะบริโภคปัจจัยสี่นั่นเองเขาบอกว่ารู้จักประมาณในการรับนี้ก็นับว่ามีความสำคัญมากต่อต่อของพระภิกษุเนี่ยนะที่จะรับโพชนาหารเ็บอกว่าถ้าหากว่าทายกเขาเอาทายกนี่แปลว่าผู้ให้นะ ถ้าหากว่าผู้ให้นี้เขาเอาของมาทำบุญเนี่ยนะถ้าของเขามีน้อยพิสูจนที่รู้จักประมาณในการรับก็ควรรับแต่น้อยถ้าของนั้นเนี่ยนะมีน้อยทายกศรัทธามากแต่ของมีน้อยก็ควรรับแต่น้อยของมีมากทายกศรัทธาน้อยก็ควรรับแต่น้อยหรือว่าถ้าหากว่าของมากด้วยศรัทธาก็มากด้วยอันนี้คือเรื่อว่ารู้ประมาณรู้กาลังของตัว ใช่โหเขามีศรัทธาเยอะของเยอะก็เอาไปทิ้งไปคว่างอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าไม่รู้ประมาณในการรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้จักประมาณในการสแสวงหาก่อนรู้จักประมาณในการรับมาแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคถามว่ารู้ประมาณในการบริโภคนั้นรู้อย่างไรก็คือบริโภคโดยปฏิสังขาโยนั่นเองพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงบริโภคอย่างนี้นคเรารู้ประมาณในการบริโภค เพราะฉะนั้นรู้จักประมาณในโพชนะแล้วประกอบเนืองเนืองซึ่งชาเคเรียธรรมอันนี้เรียกชาคริยานุโยบท่านอธิบายว่าประกอบแล้วเนืองเนืองคือประกอบแล้วประกอบทั่วแล้วซึ่งชาเคเรียธรรมการมณสิการภาวนาในเบื้องต้นแห่งราตรีเจริญกรรมฐานไปจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มเหนไนะเรียกว่าปฐมมายามแห่งราตรีและเบื้องปลายแห่งราตรีถ้าเจริญกรรมฐานจริงๆก็ตีสองขวรลุกละ นะมนาศิการกรรมฐ า, านต่อไปประกอบแล้วด้วยการขวนขวายแล้วในชาคฤหัยธธรรมตื่นตัวตลอดนะหลับก็หลับสนิทตื่นก็ตื่นเจริญกรรมฐ า, านต่อไปเนี่ยนะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าภิกษุที่ประพฤติชาคริยาธรรมจริงๆเนี่ยท่านเหล่านั้นท่านมีความรู้สึกว่าไฟกําลังไหม้บนศรรีรษะจะต้องรีบดับมังนั้นเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปเรบเพียรพยายามเพื่อที่จะเจริญกุศลธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วก็ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะในที่เจ็ดแห่งใช่ไหมสติสัมปชัญญะในการก้าวไปในการถอยกลับมีสติสัมปชัญญะในการแลการเหลียวแลซ้ยายแลขวาก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะในการคู่เข้าในการเหยียดออกมีสติสัมปชัญญะในการนุ่งหม่มนะจับถือเป็นต้นนี่นะการนุ่งหม่มจับถือ มีสติสัมปชัญญะในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุมีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจาระปัสสาวะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งสรุปแล้วมีสติสัมปชัญญะตลอดการาเป็นคนมักน้อยอะนะมักน้อยก็เรียกว่าไม่มักมากในปัจจัยสี่นั่นเองนะมักน้อยก็คือไม่ปรารถนาในเรื่องจีวรจนเกินไปเดี๋ยนะ ในที่อยู่อาศัยจนเกินไปนะครับไม่มักมากในปัจจัยสสันโดษในปัจจัย 4. สันโดษเนี่ยนะมีสันโดษอยู่12บอย่างสันโดษที่เรียกว่าสันโดษเนี่ยนะอย่างแรกก็ยะถาลาภะสันโดษสันโดษตามมีตามได้ยะถาสารูปะสันโดษเนี่ยนะเรียกว่าสันโดษตามสมควรหรือตามสารูปเนี่ยนะหรือว่ายะถา พละสันโดดสันโดษตามกําลังในปัจจัยทั้งสี่อย่างสันโดดเรียกว่าสันโดดตามมีตามได้หนึ่งสันโดดตามกําลังหนึ่งสันโดดตามสมควรหรือว่าตามสารูปะอย่างหนึ่งเนะี่ยใน3อย่างเนี่ยคูณในปัจจัยสเท่ากับสันโดด12บสอนนะสันโดด12แต่ที่จริงแล้วสันโดดเนี่ยนะรายละเอียดนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะนะในอัตถะฐาจุลนิเทศกับในอัตถาอาริยวัง ส, สูตรอังคุตระนิกายจตุ นิบาศตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องสันโดษ ม, มาขยายอย่างละเอียดละอจริงๆเลยนะเท่าที่ที่เห็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องสันโดษนะอัตถคถาอริยวังสูสตรอังคุตรนิกายจตุการนิบาศเรียกว่าวงเก่าของพระอริยเจ้าอันพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะเป็นผู้ที่สันโดษแล้วก็ไม่คลุกคลีคําว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่ก็คือไม่สังสักะไม่คลุกคลี สังสารานี้มีเท่าไหร่นีมีสี่อย่างนะเขาบอกว่ามีอย่างเขาบอกว่าอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าจับผู้ปล่อยปล่อยผู้จับต่างคนต่างปล่อยแล้วก็ต่างคนต่างจับเราบอกงั้นก็คือพูดแบบสรุปแบบเราเราก็คือว่าคารวะมุ่งจับโยมแบบนี้นี้ก็เรียกว่าคลุกคลีอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือว่าอย่างข้อหนึ่งะข้อสองก็คือคารวะที่มุ่งจับพระ คำว่าจับในที่นี้ก็คือเพื่อการคลุกคลีนั่นเองนะนะแล้วก็สองก็ต่างคนต่างปล่อยแล้วก็ต่างคนต่างผูกมัดคลุกคลีกันลักษณะนี้เรียกว่าคลุกคลีเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการคลุกคลียังมียังมีอย่างอื่นอีกอนนะรายละเอียดในอัตถการัฐวินีตสูตรเนี่ยนะขยายวัตถุสิบติกคาถาวัตถุรัฐวินีตสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญนาต เล่มสินะขยายดีหรือว่าเป็นผู้ที่ปารพความเพียรเพื่อให้ถึงกุศลที่ยังไม่ถึงเป็นต้นมีปกติกระทำความเคารพในอภิสมาจาริกศีลเนี่ยนะศีลที่จะต้องประพฤติปฏิบัติก็มีการตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจจริงๆ น, นะเพราะว่าศีลเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งใช่เจตนาก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นศีลก็คือเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัติเหล่านั้น พอเรียนเรื่องศีลในลักษณะนี้แล้วมีหน้าแล้วเนาะเทวดาเขาจึงกราบไหว้ได้สนิทใจนะถ้าไม่เป็นไปตามนี้สงสัยเทวดานี้จะไหว้อย่างไงนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไหว้ตัวเองได้ไหมใครใครเนี่ยนะกลับไปบ้านแล้วก็นืก้กราบตัวเองได้สนิทใจมั้งอ๋อถ้ามีคุณธรรมตามนี้จริงๆอ่ะนะก็น่าจะกราบไหว้ได้สนิทใจเนะแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมตามนี้เอชักชักย่งแล้วนะ เอาถ้าคนอื่นเขาตัวเองยังไม่ติดเนจใจแล้วใครจะมาตัดเนใจกับเรอเนะเพราะศีลเนี่ยจึงมีคุณมากจึงมีอ น, นิสงส์มากจริงๆใช่ไหมบันไดสวรรค์และประตูนี่ผ่านอย่างัา้นอกระอัตตาที่ปฏตยอันีี น, นี่คือเหตุกล้แห่งศีลนะโอตระป